ผีนางตะเคียนทองสามสัมผัสสยองหลังจากที่หนูนีถูกผีนางตะเคียนทองเข้าสิงและพยายามบุกเข้าหานบในห้องแต่นบก็ไม่ยอมเปิดประตู ด้วยความโมโหพีนางตะเขียนจึงทำร้ายหนูนีจนบาดเจ็บกระทั่งแม่พิงนำสร้อยพราหมณ์มาสวมให้หนูนีจึงสงบลงได้ไม่นานนบก็ย้ายไปเรียนในกรุงเทพส่วนหนูนีก็สอบบรรจุครูติดหนึ่งในห้าอันดับแรกซึ่งจะต้องไปเลือกโรงเรียนที่จะสอนกันอีกทีถ้าหากใครที่ยังไม่ได้รับฟังเรื่องดาวก่อนหน้านั้น ก็สามารถย้อนกลับไปฟังพีนางตะเขียนทองตอนที่หนึ่งและตอนที่สองได้นะครับสำหรับใครที่เคยได้รับฟังสองตอนก่อนหน้านี้แล้วเราก็มารับฟังตอนจบของเรื่องราวสยองขวัญที่หนูนีจะต้องพบเจอกันได้เลยพอถึงวันที่หนูนีไปลงทะเบียนเพื่อเลือกโรงเรียนที่จะไปสอนก็มีโรงเรียนอยู่สามแห่งให้เลือก คือโรงเรียนหางดงโรงเรียนไพรบุรีและโรงเรียนเวียงแจ่มตอนนั้นหนูนีเพิ่งจะได้มาเห็นชื่อโรงเรียนเป็นครั้งแรกจึงไม่ได้หาข้อมูลของโรงเรียนเหล่านั้นมาด้วยหนูนีจึงใช้วิธีการคาดคะเนโดยเดาเอาจากชื่อว่าโรงเรียนหางดงน่าจะอยู่ไกลและธุระ ก, กันดานเพราะหางคือสุดท้ายดงคือป่า โรงเรียนหางดงคงอยู่สุดป่าหนูนีจึงไม่คิดจะเลือกโรงเรียนนี้โรงเรียนที่สองชื่อไพรบุรีก็ดูทันสมัยแต่ไพรบุรีแปลว่าเมืองป่าคิดว่าโรงเรียนคงตั้งอยู่ในบ้านป่าเมืองเถื่อนหนูนีจึงตัดโรงเรียนที่สองออกจากตัวเลือกเช่นกันโรงเรียนสุดท้ายชื่อเวียงแจมเวียงแปลว่าเมือง แจมก็คือความสดใสคงจะเป็นโรงเรียนในเมืองที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดหนูนีจึงตัดสินใจเลือกโรงเรียนนี้วันที่หนูนีจะต้องเดินทางไปรายงานตัวที่โรงเรียนพ่อและแม่ก็อาสาไปส่งด้วยเพราะอยากเห็นสถานที่ทางานของลูกสาวพ่อเตรียมรถแต่เชา้าแล้วทั้งหมดก็เริ่มเดินทางออกจากบ้าน เวลาหโมง30นาทีเมื่อขับไปได้สักพัก ก, ก็เห็นป้ายโรงเรียนหางดงที่ข้างทางซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไปประมาณ20กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางไปอีกประมาณ30นาทีหนูนีก็เห็นโรงเรียนหางดงซึ่งดูทันสมัยดีไม่ได้เป็นบ้านป่าอย่างที่เธอคิดพ่อขับรถเดินทางต่อไป ก็เจอโรงเรียนไพรบุรีซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนหางดงไปอีกประมาณ20กิโลเมตรถ้าคำนวณระยะเวลาเดินทางจากบ้านแล้วก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนูนีเริ่มรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เลือกสอนในโรงเรียนทั้งสองที่ใกล้บ้านและมีสภาพทันสมัยสวยงามเธอคาดหวังว่าโรงเรียนเวียงแจ่มที่เลือก ก็คงจะดีไม่แพ้สองโรงเรียนแรกเหมือนกันแต่แล้วความหวังของเธอก็พังทลายโรงเรียนที่สามจะว่าอยู่หลังเขาเลยก็ว่าได้ต้องขับรถผ่านป่าไม้และภูเขาอีกสองลูกระยะทางห่างจากบ้านประมาณ90กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางเกือบสามชั่วโมงกว่าจะไปถึงโรงเรียนเพื่อเข้ารายงานตัว ก็เป็นเวลาเกือบสิบโมงแล้วเป็นนันว่าหนูนีต้องสอนที่โรงเรียนนี้และต้องพักอยู่ที่บ้านพักครูเพราะไม่สามารถขับรถไปกลับจากบ้านมาโรงเรียนได้แม้จะไม่ได้เป็นดังหวังหนูนีก็ยังยิ้มร่าเริงถึงจะไม่ได้สอนโรงเรียนในเมืองแต่เธอก็ได้สอนในโรงเรียนที่รายล้อมไปด้วยภูเขาอากาศเย็ยนสบายบรรยากาศดี และเงียบสงบมากเมื่อเธอรายงานตัวเสร็จก็เดินทางกลับบ้านเพื่อจะไปเก็บของแล้วย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพักครูของโรงเรียนพ่อกับแม่เห็นลูกสาวชอบโรงเรียนที่สอนก็สบายใจแม่กระซิบกับหนูนีว่าอย่าหลงธรรมชาติเพลินล่ะอย่าลืมกลับบ้านตอนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะจ๊ะ โรงเรียนที่หนูนีสอนเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษามีชั้นเด็กเล็กอนุบาล 1-3 ถึงและชั้นประถมปีที่ 1-6 ถึงมีนักเรียนเกือบ120คนมีครูอยู่ทั้งหมด9คนหนูนีเป็นครูบรรจุใหม่ได้สอนชั้นปสที่เด็กจะมีอายุ ป, ประมาณสิบขวบซึ่งพอจะมีความรับผิดชอบและตั้งใจเรียนบ้างแล้ว ที่ครูหนูนีไม่ได้สอนชั้นป .1 เพราะว่าครูที่จะสอนชั้นป .1 ของที่นี่ได้ต้องมีฝีมือระดับพระการจริงๆถึงจะเอานักเรียนวัยซุกซนอยู่หมัดกว่าจะสอนให้อ่านก อ, อากาได้ก็คงเหนื่อยหน้าดูคิดแล้วครูหนูนีก็นึกชื่นชมครูท่านนั้นจริงๆนักเรียนในชั้นที่ครูหนูนีสอนมีทั้งหมด13คน เป็นหญิงเจ็ดคนชายหคนแต่มีนักเรียนชายอยู่คนหนึ่งที่ครูหนูนีเห็นแล้วรู้สึกถูกชะตามากเวลาพักครูหนูนีมักจะได้พูดจาทักทายนักเรียนที่ชื่อประชาอยู่บ่อยครั้งหน้าตาของประชาน่ารักน่าเอ็นดูและมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับคนที่ครูหนูนีเคยรู้จักเธอพยายามนนก แต่ก็นึกไม่ออกว่าประชาหน้าคล้ายใค ร, ใครวันหนึ่งครูหนูนีก็พูดคุยกับประชาตามปกติและได้พูดคุยถึงเรื่องครอบครัวของประชาประชาเล่าว่าพ่อของประชาชื่อชุมพลแม่ชื่อนิชานามสกุลเอี่ยมสมบัติประชามีพี่สาวหนึ่งคนซึ่งตอนนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นป .5 พ่อกับแม่ของประชาเสียไปแล้วตั้งแต่เขาอย่างเล็กตอนนี้ประชากับพี่สาวจึงอาศัยอยู่กับตาและยายครูหนูนีเอามือลูบหัวประชาที่เห็นเด็กน้อยทำหน้าเศร้าคงเพราะคิดถึงพ่อกับแม่มากครูหนูนีจึงถามต่อเพื่อเปลี่ยนเรื่องให้ประชาสดชื่นขึ้นเธอถามประชาว่าประชา ตากับยายเธอชื่ออะไรเหรอเด็กชายประชาตอบว่าตาชื่อเล็กยายชื่อมาริพอครูหนูนีได้ยินสองชื่อนี้ก็รู้สึกว่าคุ้นหูมาจึงถามต่อว่าตากับยายนามสกุลอะไรแต่เด็กชายประชากลับตอบว่าไม่รู้ครับที่ผ่านมาก็เรียกแค่ตาเล็กกับยายมารีเฉยเฉยขณะที่ครูหนูนี กำลังคุยกับประชาอยู่นั้นเสียงระครังเข้าห้องเรียนคาบต่อไปก็ดังขึ้นครูหนูนีจึงบอกให้ประชาไปเข้าเรียนส่วนเธอก็เดินไปเตรียมการสอนที่ห้องพักครูวันนั้นทั้งวันครูหนูนีมีอาการกระสับกระส่ายลุกลีลุกลนเพื่อนครูคนหนึ่งสังเกตเห็นว่าที่คอของหนูนี มีรอยแดงเป็นเส้นจึงทักว่าหนูนี่อาจจะแพ้สร้อยคอหนูนีเอามือจับสร้อยแล้วก็แปลกใจที่ผ่านมาเธอก็ใส่สร้อยพระเส้นนี้อยู่ตลอดแต่ไม่เคยมีอาการแพ้โลหะมาก่อนจึงคิดว่าอาจเป็นเพราะช่วงนี้อากาศร้อนทำให้เหงื่อออกมาจนทำให้เกิดปฏิกิริยากับสร้อยก็เป็นได้ เพื่อนครูจึงแนะนำให้หนูนีถอดสร้อยแล้วเช็ดเหงื่อก่อนหนูนีก็ทำตามคำแนะนำเพราะหนูนี้ถอดสอยพระบวางบนโตะ๊ะหนูนีก็ยืนนิ่งสายตาแข็งกระด้างแล้วก็ถามถึงทะเบียนประวัติของนักเรียนในทันทีเพื่อนครูชี้ไปที่ตู้เก็บเอกสารที่อยู่หน้าห้องครูใหญ่แบบงงๆง นูนีเดินตรงไปคนตู้นั้นอยู่พักใหญ่เสร็จแล้วเธอก็หยิบประวัตินักเรียนคนหนึ่งมากางบนโต๊ะของเธอเพื่อนครูจึงถามว่าเอาประวัติของเด็กชายประชามออกมาทำไมเหรอหนูนีไม่ตอบเธอมองกระดาษแผ่นหนึ่งยิ้มแล้วพูดแปลกๆว่าเจอแล้วคนที่รอมาสามสิบกว่าปี เพื่อนครูเหล่านั้นก็หันหน้ามามองกันและพากันงงกับคำพูดของครูหนูนีเพราะตอนนี้ครูหนูนีอายุแค่2 1่สเถึงปีเท่านั้นเธอจะรอใคร30กว่าปีได้ยังไงหลังจากนั้นขณะที่ครูท่านอื่นไปสอนจนเหลือแต่หนูนีกับเพื่อนครูอีกคนหนึ่งในห้องครูหนูนีก็มีท่าทางกระสับกระส่าย หุดลุกผุดนัง่งจนเพื่อนครูอดเป็นห่วงไม่ได้จึงถามว่าเธอเป็นอะไรอะ่ะไม่สบายหรือเปล่าแต่หนูนี่กลับหันมาตาวาดว่าอย่ามายุ่งกูจะไปหาผัวกูเพื่อนครูตกใจในคําพูดของครูหนูนีมากในบ่ายวันนั้นครูคนอื่นก็เริ่มสังเกตเห็นอาการแปลกๆของครูหนูนี จากที่เป็นคนอ่อนหวานสุภาพตอนนี้ครูหนูนีเหมือนกลายเป็นคนละคนเธอมีท่าทางดุพูดจาแปลกๆ แ, แต่ครูทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงพอถึงเวลาที่ครูหนูนีจะต้องเข้าสอนอยู่ๆเธอก็เดินกลับบ้านพักครูที่อยู่ใกล้โรงเรียนแล้วปิดประตูขังตัวเองเงียบอยู่ในห้องไม่ยอมไปสอน จนเพื่อนครูทุกคนเป็นห่วงครูใหญ่ก็เลยมอบหมายให้ครูอีกคนมาช่วยสอนแทนครูหนูนีเพราะคิดว่าเธอคงไม่สบายเช้า ว, วันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันเสาร์พอดีครูหนูนีก็ออกจากห้องแต่งตัวสวยแล้วเดินมาหากลุ่มเพื่อนครูที่กำลังนั่งรับประทานอาหารเช้ากันอยู่ครูหนูนีเดินยิ้มมาแต่ไกล ไม่มีหน้าบึ้งตึงเหมือนกับเมื่อวานเพื่อนครูคนหนึ่งจึงถามว่าทำไมวันนี้ดูอารมณ์ดีจังก็ได้รับคำตอบว่าจะไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนที่ชื่อประชาแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนครูชมเพื่อนครูอีกคนหนึ่งจึงอาสาพาไปบ้านของเด็กชายประชาที่อยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ3มกิโลเมตรครูชมขี่มอเตอร์ไซ โดยมีครูหนูนีนั่งสอนหายไม่นานก็ถึงบ้านของเด็กชายประชาครูหนูนีรีบลงจากรถเดินตรงไปที่หน้าบ้านทันทีประชาที่ยืนอยู่หน้าบ้านพอเห็นครูมาเยี่ยมก็วิ่งไปสวัสดีแล้วรีบกลับเข้าบ้านไปเรียกตากับยายออกมาต้อนรับพอตาเล็กกับยายมาลิเดินออกมาอย่างงกงกเงินเงินตามระสาคนแก่ ซึ่งตอนนี้อายุก็ประมาณเจิบกว่าปีแล้วครูหนูนีก็วิ่งโผไปกอดตาเล็กแล้วร้องไห้คร่ำครวญว่าคิดถึงพี่เล็กมากทำไมใจร้ายหนีหายไปไม่บอกกล่าวซึ่งมันสร้างความงุนงงให้กับทุกคนมากครูหนูนีจับแขนตาเล็กไม่ยอมปล่อยจนครูชมต้องชวนกลับบ้าน แต่หนูนีก็ทำตาขวางแล้วตะคอกใส่ครูชมยายมารีเห็นห้าทางแปลกๆจึงมองด้วยความสงสัยแล้วก็เหมือนแกจะนึกอะไรบางอย่างออกแกเดินเลี่ยงกลุ่มคนออกจากบ้านมุ่งหน้าตรงไปวัดของหมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อในวัดหอยายมารีไปถึง ก็เล่าเรื่องผีนางตะเคียนทองที่เคยสิงเธอและคิดจเจ้าตาเล็กไปเป็นสามีจนทั้งสองได้หนีออกมาจากบ้านหลังนั้นให้หลวงพ่อฟังยายมะลิเล่าต่อว่าวันนี้ก็เหมือนผีนางตะเคียนจะสิงร่างของผู้หญิงอีกคนเพื่อมาตามหาสามีของเธอหลวงพ่อพยักหน้ารับเหมือนจะเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึนท่าน จึงเดินไปหยิบกล้าไม้ในถุงดำมาต้นหนึ่งแล้วให้ยายมาลีเดินนำทางไปที่บ้านเพาะกลับมาถึงบ้านก็เห็นว่าครูหนูนียังกอดแขนตาเล็กไม่ยอมปล่อยเมื่อพระมาประจันหน้าครูหนูนีหนูนีก็ยิ่งกอดแขนตาเล็กแน่นกว่าเดิมแล้วจ้องมองหลวงพอ่อด้วยสายตาที่หวาดกลัวแล้วบอกหลวงพอว่า ถ้าคิดจะพากกูจากคนรักร่างนี้ก็จะต้องตายไปกับกูด้วยหลวงพ่อมองปาดเดียวก็รับรู้ได้ว่าเรื่องที่ยายมาลีบอกน่าจะเป็นเรื่องจริงจึงพูดกับหนูนีว่านางดะเคียนหองเจ้าได้สร้างเวรสร้างกรรมมามากมายจึงไม่ได้ไปผุดไปเกิดเจ้าควรบำเพ็ญตนอยู่ในศีลในธรรมเมื่อหมดเวรหมดกรรม ก็จะได้ไปสู้สุขติอย่ามาทำบาปเพิ่มโดยการทำร้ายคนอื่นและตกอยู่ในกิเลสตัณหาอย่างนี้ถึงแม้จะได้ครอบครองคนที่รักสมดังหวังแต่สุดท้ายก็ต้องพัดพราชจากันไปอยู่ดีในเมื่ออยู่คนละภพละภูมิก็ควรจะต่างคนต่างอยู่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งบาเพ็ญตนให้หลุดพ้นบ่วงกรรมจะดีกว่า ทีนางตะเคียนทองในร่างของหนูนีร่ำไห้เหมือนสำนึกผิดและพูดว่าตอนนี้นางไม่มีที่อยู่เสาต้นตะเคียนที่เคยอยู่ก็ผุพังและถูกรื้อถอนออกไปแล้วนางจึงต้องมาสิงร่างของหนูนีพระท่านจึงบอกทางออกให้นางตะเคียนทองว่าขอเชิญดวงวิญญาณของนางตะเคียนทองเข้ามาสิงในกล้าต้นตะเคียนทองต้นนี้ แล้วอาตมาจะนำไปปลูกใกล้ๆโบสถ์ในวัดเพื่อนางตะเขียนหองจะได้ฟังธรรมะแล้วหลุดพ้นจากบาปกรรมเสียทีพอสิ้นเสียงหลวงพ่อพูดจบหนูนีก็สุดนางแล้วล้มลงนอนหายใจรวยรินคล้ายคนกำลังจะสิ้นใจตาเล็กกับครูชมจึงรีบช่วยกันประคองหลังของหนูนีเอาไว้หนูนียกมือไหว้ตาเล็กทั้งน้าตา แล้วพูดว่าที่ผ่านมาทำไปพระหลงมัวเมาในความรักจากนี้ไปขอให้พี่เล็กอโหสิกรรมให้ด้วยตาเล็กพยักหน้ารับแล้วหนูนีก็ลุกนั่งพร้อมพนมมือกราบพระที่พื้นแล้วนิ่งหลับไปครูชมจึงพาหนูนีไปนอนพักในบ้านของตาเล็กสักพักหนูนีก็ฝืนึ้น เธอมีอาการมินงงเหมือนตอนที่ออกจากโรงพยาบาลในเหตุการ์บันทึกขวัญครั้งนั้นหลังจากเหตุการ์ในวันนั้นทุกคนก็ใช้ชีวิตอย่างปกติหลายปีผ่านไปวันหนึ่งหนูนีได้ไปทำบุญที่วัดเธอเห็นต้นตะเคียนทองที่หลวงพ่อนํามาปลูกเติบใหญ่มีกิ่งก้านสาขาขยายปกคลุมไปทั่วบริเวณลานวัด หนูนียกมือพนมไหวหลวงพ่อที่กำลังกวาดลานวัดอยู่แล้วหันไปมองต้นตะเคียนทองพร้อมกับรำพึงว่าป่านนี้ดวงวิญญาณของนางตะเคียนทองคงหลุดพ้นจากบาปกรรมแลว้วสาทุก พัดสยง